วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2536 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้นเรื่องอเหตุกจิต 18 นั้นโดยลําดับในทางตํารา อันนี้ก็ขอย้ําทบทวนจําพวก 1 มี 7 เรียกว่า สำหรับอกุศลวิบากจิต 7 กับกุศล 8 ซึ่ง 15 นั้นในการ 10 คือ 10 ซึ่งๆและ 5 คือจักขุทวารจนกระทั่งถึงกายทวารก็ทวารละ 2 ดวง 5 ก็เป็น 10 ดวงพอดีก็เป็นการอธิบายก็เพื่อความสะดวกในทางอธิบายก็ได้อธิบายกันที่ 5 อ่า 5 ดวงนี้ก็ได้แก่สัมปติฉันนะ 2 กับ 3 รวม 5 สัมปติ 2 นั้นก็เป็นอกุศลวิบาก 1 เป็น 3 นั้นเป็นอกุศล 1 ดวงเป็นกุศล 2 ดวงรวมกันอยู่ในกลุ่มใน สองกลุ่มนี้นะฮะหรือกลุ่มเดียวนี้แต่ 2 กับสันธินะ 3 นั้นเป็นจิตที่ค่อนข้างจะไม่อยู่ในสามัญสำนึกหรือไม่อยู่ในวิสัยสำนึก จิตที่ทําจิตในระหว่างนี้ก็ได้แก่สัมปติฉันนะ 2 ดวงกับ 3 นั่นเองเป็นจิตที่อยู่ทั้ง 5 ดวงนี้ในทาง ละเอียดสักหน่อยจึงจะกําหนดรู้ได้สําหรับในชั้น ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการของสภาวะธรรมที่เกิดสืบเนื่องกันเป็นขณะๆไม่ได้เป็นปัจบุคคลมีเป็น อาทีสําคัญที่เราเห็นได้ก็ๆอย่างนี้ 18 นะครับคราว 10 ใน 2 ก็จิตที่ จิตรับไว้นั้นหมายถึงอ่าจิตนี้ทํากิจในอารมณ์วิญญาณ 10 ได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มและได้สัมผัสถูกต้องผ่านพ้นก็ เป็นหน้าที่ของจิตในขณะถัดมาจะรับอารมณ์นั้นต่อไปคือหมายถึงรับนั่นก็คือรับรู้อารมณ์นั้นต่อไปเพื่อ วิณิจเดิมทีกับแลว่าพิจารณาก็ล้วนแต่ แห่งจิต 2 พวกนี้ที่ได้ขึ้นหัวข้อไว้ใน 5 ดวงนั้นเมื่อแยกออก 2 สันติยนะ 3 นั้นเป็น 5 ดวงใน 10 นะ 5 มี 5 ดวง โดยประเภทประเภทนั้นแปลว่าประเภทคือจํานวน 3 นั้นเมื่อ 3 คือ 3, 3 อย่างใน 5 ดวงเป 4 เป็น เบกถากตในส่วนสุดท้ายนั้นเป็นการจําแนกโดยชาติชาติฝ่ายถึงที่ รอบแบ่งให้เห็นชัดที่มองดูแล้วก็ไม่สลัดสะปอนอะไรแต่ว่าในหรือสําหรับเป็น คนแรกคนแรกนี่ผมหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะการฟังในวันนี้เป็น อาจผู้บรรยายต้องการจะเน้นให้ๆไปโดยลําดับอีกเอ่อหลาย ที่เราพยายามจะทบทวนกันให้ติดตาหลายคนก็การอ้าง บริเวณที่ 1 ขึ้นไปจนกระทั่งถึงคัมพี 3 กับตําแหน่งของสันติลนะในวงกลมต่อไปนั้นนั่นจิต 2 จําพวกนี้คือ ที่เรียกได้ว่าเหมือนปิดทองหลังปลาคือจะ 10 ทวิ 10 นั้นใน 2 นะครับเป็นจิตที่ทําหน้าได้อย่างสำนวนได้ ลิ้มรสกับลิ้นก็คือจิตตรงนี้ได้สัมผัสถูกต้องกับมือหรือด้วยกายก็คือจิตนี้เพราะ แม้ว่าจะไม่ได้ฟังด้วยครั้งแรกแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นอารมณ์กับตาหูเป็นความรู้สึกเพิ่งตื่นก็ ก็ขอให้ได้เข้าใจเอาไว้ว่าการเกิดนั้นเกิดได้ทีละดวงจักขุวิญญาณ ของวิถีจิตทั้งหมดถ้าไม่มีจิตตรงนี้ 10 ซึ่งมีจักขุวิญญาณเป็นต้นขณะ แต่ที่เรากําลังพูดคือความไม่มีถ้าคนมีๆมันก็ไม่ได้แต่ผมหมายอยู่แต่จักขุวิญญาณมิได้ปรากฏเมื่อจักขุวิญญาณไม่ได้ปรากฏจิตอื่น จะขึ้นอยู่กับจักขุวิญญาณเป็นต้นหรือขึ้นอยู่กับกายวิญญาณ ไม่เอาปัญจตวาระปัญจตวาราวชนกิจมาเป็นหัวหน้าแม้ว่าไม 10 สติ 10 เห็นรูปด้วย ที่เรากําลังจะพูดถึงในจิตจิตสืบเนื่องจาก 2 ดวงสัมปติชันนะจิตเอ่อที่แปลๆก็คือ ที่จักสุวิญญาณเป็นต้นเห็นแล้วมาไว้เอ่อความจริงคําว่ารับไว้ตรงนี้น่ะก็ขอให้ได้ ไม่ได้มาถึงกันไม่ได้ถึงกันเหมือนกับจักสุวิญญาณกับรูปอารมณ์ๆเวลา ปุคคลาธิฐานเนี่ยบางทีก็รับโดยที่ของนั้นไม่ได้มาสัมผัสมือก็ได้นะฮะ ตกลงรับไว้ลักษณะอย่างนั้นทีนี้การรับไว้อย่างธรรมดาโลก มอบผ่านบุคคลคนนี้เพื่อคนนี้เช่นว่าให้พ่อเพื่อลูก ดูไม่ได้รับไว้เพื่อเป็นเจ้าของเองเพื่อบริโภค อ่าอันนี้เราก็พูดอย่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะฮะ ไอ้ตากล้ามันก็ไม่ได้รู้ว่ามันมัน อันนั้นคือความคิดที่เปลี่ยนสภาวะของความเป็นจริงของสภาพจิตฉะนั้นเวลาที่เอาผู้ที่ใช้วิธีจิตเหล่านี้มา คนแต่ตัวเข้าใจผิดเขานึกมาได้คิดอะไรว่าอย่างงู เรามันก็คิดจินตนาการว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้เห็นจะคบกันไม่ได้ๆเนี่ยมันเอามันผลผลของมันๆ ที่ไปแปลความสภาวะธรรมเหล่านั้นผิดการแปลสภาวะเอ่อ เป็นอภิญญยธรรมเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมที่ควรรู้ คือไม่ได้แปลว่าไปรู้อะไรให้มันยิ่งเกินกว่าตามที่มันเป็น ในเรื่องของรูปของนามก็ดีเรื่องของรูปของนามก็ดิดหรือจะพูดว่ามุ่ง ถ้าไปจะเรียนเรื่องใหญ่เป็นรูปภาษาอมมะกัน <c oughs> 7 ครั้งติด 8 มกราคมเป็น <c oughs> โดยสรุปรวบยอดแล้วก็คือรูปนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคําว่ายิ่งตรงนี้จึงเป็นคือพูดว่าคิดเหมือนกับสุนัขเห็น ได้ถูกผลละไม้หล่นลงมาถูกตัวถูก นะนี่เราย้อนกลับมาไอ้ตอนมาน้ําเป็นลูกตรงที่กําลังพูดถึงสัมปติ ยังสัมปติฉันนะที่ทําหน้าที่รับเนี่ยมันก็ไม่ได้ แต่ที่เรามาใส่เรียกว่าสัมปติชนะโยงไปถึงอนาคตๆไป ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นเองเพราะ 2 ส่วนส่วนหนึ่งคือต้องพูดเป็นโลก แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะต้องนึกยืนอยู่บนความ ท่านจึงได้พูดสัมทับๆเรื่องเป็นอย่างนี้ รู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งว่าเช่นว่ามีที่พึ่งรู้สึกวาเวเช่นว่า ไม่มีผู้เจริญมรรคแล้วก็ไม่มีผู้แจ้งนิพพานคือพูดอ่าพวกเราแต่ว่าถ้าเข้าใจอะไรสักเนี่ยท่านก็จะต้องตะล่อม ฟังแล้วดีเพราะว่าผู้ที่ถึงทําแล้วนั้นฟังนั่นแหละดีพ้นซะได้นั่นแหละดีไม่มีอะไรเหลือเลยนั่น สิ่งจากข้างนอกมาถือเอาข้างในเป็นเป็นที่อุ่นใจครับเราเรานึกเทียบเหมือนอย่าง แต่ว่าพอเราเข้าใจธรรมะเข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจกระแสชีวิตทั้งผืนเต็มผืนเราก็ไม่คิดจะเอาสิ่งอื่นเป็นๆละเอียดเข้าลึกเข้าไปเข้าแม้อย่างเราเองเรา พูดกันแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงในชั้นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นมารนะฮะก็เหมือนจริงๆก็ยังอาจจะยังติด แต่เวลาพูดแสดงเหตุผลแล้วก็เหมือนว่าตัวเองนั้นพ้นๆเป็นความๆและเป็นความเบื่อหน่าย <ๆ S 2> ในทางเข้าถึงได้จริงๆด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดกันเหมือนเป็นแตกเพียงปรัชญาในจินตนาการเท่า นี่แหละอธิบายกันแบบคือก็อย่างนี้สัมปติชันนะคือตัวที่รับอารมณ์สืบต่อ อารมณ์ยังคงปรากฏอยู่ที่ตาอารมณ์อย่างผู้อยู่นั้นคือยังคงปรากฏอยู่ คำว่าสันติรณะเนี่ยบางครั้งก็ใช้ในชั้นว่าสันติรณะที่เราคิด หมายถึงผู้ที่เจริญ ปัญญาที่เห็นอาการของนามของรูปได้ท่าน อเห็นรูปเห็นนามแล้วเห็นอาการของนามคืออนิจจังทุกขัง แต่สันติลัณะที่กล่าวถึงในอ่าหรืออ่าการเห็นนะถ้า ละเอียดนี่ผมไม่ได้หมายความว่าพิจารณาเห็นเรื่องราวละเอียดลึกซึ้งเนี่ยก็ ถ้าจะเทียบกับญาณปริญญาเมื่อสักทีนี้ญาณปริญญาน่ะถือว่าเห็นลึกซึ้งเห็นลึกซึ้งเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็สันติละในชั้น อย่างที่เราๆที่เราพิจารณาอย่างลึกซึ้งแต่สันติลักณ์ตรงนี้น่ะที่ว่า หรือปูดอีทีนก็คือเป็นอภินยยธรรมดีที่สุดเพราะมันไม่น้อยน้อยก็ก็ว่าก็ก็ว่า แล้วก็พยายามที่จะกําหนดอารมณ์นั้นให้ได้หรือว่าอารมณ์นั้นมีค่าเป็นเนี่ยมันไม่รู้หรอก ไร้เดียงสาที่สุดแล้วพวกนี้ไร้มีความไร้เดียงสา คือพินิจรูปที่จักสู่วิญญาณเห็นแล้วก็อารมณ์ให้เป็นบุญหรือเป็นบาป เป็นเรื่องที่วิธีจิตนี้อีกในแง่มุมอื่นอีกคงจะต้อง ในการพิจารณาโดยความเป็นกุศลวิบากและอกุศล 3 ที่เรา 2 นั้นได้ถูกแบ่งเป็นอกุศลวิบากดวงหนึ่งกุศลวิบากดวง 3 อุเบกขาสหกะตะ 2 ดวง 2 ก็คืออุเบกขาที่เป็น นั่นก็อาจจะไม่ชัดเจนหรือถ้าพูดถึงอย่างในสํานึกของนะแล้วสันติลนะ 3 ที่เป็นกุศลนิบาตเป็น แล้วก็จะเป็นอุเบกขาหรือจะเป็นโสมนัสนั้นมันก็ไม่ ที่เรามีความรู้สึกว่ามีคุณค่า จักสุวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่า ไม่มีความหมายในจํานึกของเรา กายวิญญาณจิตใดที่เป็นทุกขเวทนาเกิดจาวตรงนี้บากเราไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องที่เราเราก็ไม่ธรรมดาทั่วไปไม่ได้เป็นอกุศลวิบากเราต้องการเพราะเป็นกุศลวิบากวิญญาณพวกนี้นี้ แต่เวลาเราเกลียดเนี่ยเราเกลียดกายวิญญาณหรือเราเกลียดเราเพ่งไปที่ข้างนอกครับเรา อัลกุศลกรรมไว้ในอดีตอย่างนี้เพราะได้ทํากุศลกรรมไว้ในอดีตอย่างนี้เราจึงต้องการและไม่ต้องการเราก็ไม่ได้คิดลึกไปถึงขนาดจริงๆมันคือเราก็มารังเกียจไอ้ ในทางต้องการไม่ต้องการต่อทวิปัญจวิญญาณ 10 เนี่ยก็เฉพาะไอ้ 2 โรงสุด อยู่ในมุมอับในมุมอับนะเรียกว่าอยู่ เอ่อทวิปัญจวิญญาณ 10 เนี่ยผมถอยไปแล้วก็พยายามจะพูดให้เห็นว่าไอ้ที่เราก่อนเป็นรูปดีหรือไม่ดี พูดว่านี้ก็แล้วกันมันอยู่ที่รสนิยมไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นรูปไม่ดีมากระทบตา มันเหมือนจะไม่มีความหมายเหมือนจะอะไรปู่เราเสียหายอะไรเนี่ยเราได้ กล่าวคือว่าในการที่เราเห็นรูปไม่ดีครั้ง แต่การรวมตัวหรือการอตกผลึกของมันความเป็นอกุศลวิบากของอารมณ์ที่ๆไปแล้วมันจะ <c oughs> จะเป็นดมอินเนอร์หรือจะเป็นรูปไอระหืออะไรตีค่าแค่วางเค้าสูบครั้งแรกเนี่ยจมูกก็เป็นแล้วก็ถาม เมื่อจะบอกแก่ใครๆหรือที่เค้าจะไปซื้อน้ําๆมาดมนะฮะหรือจะไปดมหยกดมยา แต่ถ้าหากว่าหรือบางแต่ไอ้กิเลสมันปิดบังคือปิดบังเรื่องสุขภาพเที่ยปุดปิดบัง โดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องแล้ววิธีการที่ไม่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้ครอบครัวเสียเนี่ยมันเลวร้ายแล้วขณะนั้น หรือบางคนก็อาจจะไม่มีสิทธิ์นี่ๆเป็นตัวอย่างในกรณี ไปการได้เห็นสิ่งที่ไม่สมควรจะเห็นสิ่งการได้เห็นสิ่งที่ไม่สมควรจะเห็นไม่สมควรจะการได้ได้การได้เห็นเนี่ยว่าที่จริงแล้วมันทํา กับเสียงเหล่านั้นได้คิดว่าเราตีภูมิปัญญา ก็หลีกได้ก็หลีกไปนี่เป็นเป็นสิ่งหนึ่งทีนี้เนี่ยเมื่อใดบุคคล วิบากและในทางกุศลนิบัตนะผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดถ้ายกตัวอย่างในทางกุศล นะฮะแล้วถ้าจะไปคิดลูมแต่งเอากันตามใจชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบพระพุทธเจ้า รามก็เห็นเต็มที่แต่ก็ยังเกิดความคิดในทางผูกแป้งในทางบาปด้วยเหตุ ศรัทธาลมไปกระทบโสดาวินยันผู้พูดง่ายกว่า หมายพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ได้ทําร่วมกันมาได้ทําเพื่อผลในทางการบรรลุธรรมน้อยทั้งใน อยู่หรือไม่มีก็ต่างแต่กรรมนี่เป็นกรรมน้อยนิดนิดๆหน่อยๆแล้วก็หายล้มเลิกไปเรียก นี่เช่นว่าเพราะมาได้มาไปพบคนนี้ที่ เรียกว่าอกุศลวิบากอันหนึ่งก็ชักจูงอกุศลวิบากตัวอื่นมาเป็นทิวแถวเป็นอุปถัมภ์ปก อย่าไปนึกก็ไม่มีความหมายถ้าเราได้รับอกุศลนิบาตนั้นด้วยแล้วก็เกิดกิเลสคือไม่มีมนสิการในอารมณ์เหล่า รูปอารมณ์สัทธาลงวันธาลมภาษาลมที่ สันดานของกูนั้นได้แก่บุคคลนั้นสืบต่อไปได้เต็มที่เพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านี้น่ะจึง ได้ดีกว่าการแก้ใหม่มันจึงมีความหมายเป็นกุศลที่บังแม้เล็กน้อยแต่หาก หรือการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือการได้สิ่ง 2 ประโยค 3 ประโยคหรือ 1 ที่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือ วิญญาณ 4 ในเบื้องต้นเนี่ยในชั้นๆในชั้นแรกหรือในชั้นขอบเขตของ 4 ในเบื้องต้นเลยแล้วก็ แต่มันมีค่าในชั้นการสืบต่อๆทั้งหลายอ่าทีนี้โทษผพะ 2 เนี่ยข้อนี้ คือกายวิญญาณที่เป็นอกุศลนิบาตเกิดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตั้งก้อรังเกียจเป็นทุกข์เวรร้อนทุรนทุรายกันจริงๆโพชะภะๆตั้งแต่ในชั้นเบื้อง อันนี้ก็เห็นจะไม่ต้องอธิบายกันอีก 2 ดวงนะครับอันนี้ผม 10 เกิดขึ้น มีผลชัดเจนไม่ชัดเจนในขณะนั้นอย่างไรๆหมายถึงพูด ไปเป็นได้หลายปีสืบๆต่อไปเป็นลักษณะของความสืบต่อและตกค้างต่อไปโดยลําดับก็เป็น